เจ็ดสัปปานกาวรกหมวดว่าด้วยสัตว์มีชีวิต 1. สันจิตจะสิกขาบทว่าด้วยความจงใจปลงชีวิตสัตว์เรื่องพระอุทายี 382. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุทายีเป็นนักยิงธนูและท่านไม่ชอบอีกา ท่านจึงยิงอีกาทั้งหลายแล้วตัดหัวมาเสียบหลาวเรียงไว้ภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าท่านใครฆ่าอีกาเหล่านี้ท่านพระอุทายีตอบว่าท่านทั้งหลายกระผมเองกระผมไม่ชอบอีกาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าจะไหนท่านพระอุทายีจึงจงใจปลงชีวิตสัตว์เล่าท่านภิกษุทั้ ง, งหลายตำหนิท่านพระอุทายีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้